ในขณะที่คนรอจะสิ้นใจจะมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือไม่และเมื่อตายไปแล้วความเจ็บป่วยจะยังมีอยู่หรือไม่การที่คนส่วนมากกลัวตายมีเหตุสำคัญอยู่สองสาอย่างคือหนึ่งเพราะรู้สึกว่าจะต้องจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักซึ่งในเมื่อนึกขึ้นมาแล้วทำให้ใจหาย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 หรือถูกฆ่าแล้วตายทันทีหรือจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างธรรมดาก็ตามเมื่อตายไปแล้วรายไหนก็รายนั้นพอรู้สึกตัวเตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ก็จะต้องเข้าใจว่าตนเองยังไม่ตายเพราะเหตุที่เข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายเพราะฉะนั้นความยึดมั่นที่เคยมีต่อ ก, กายเนื้ออย่างไรก็ยังจะฝังอยู่ในใจอย่างนั้นและครั้นแล้ว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 บางคนนับเป็นร้อยๆปีก็มีทั้งที่ตายมาแล้วเป็นเวลานานแต่เขาก็ยังเข้าใจว่าเขายังเป็นคนอยู่แล้วจงคิดดูว่าสำหรับในโลกของโอปปาติกานั้นวิบากมันจะให้ผลในฉับพลันหรือพูดอีกในย่าหนึ่งความคิดคือการกระทําและมันจะมีผลออกมาตามความคิดอันนั้นทันทีส่วนในโลกมนุษย์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 เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ยังต้องมีอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงวิบากของบาป ก, กรรมต่างๆที่คนเหล่านั้นได้สร้างเอาไว้ซึ่งวิบากเหล่านี้ยังจะสร้างสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมชนิดที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความทรมานที่เกิดจากความเจ็บป่วยเช่นบางคนอาจจะมองเห็นภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพึงกลัวและทรมานตัวเองอยู่ตลอดเวลา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 คนเราก็ไม่ได้รับการทรมานจากการเจ็บป่วยและในทํานองเดียวกันคนเราเมื่อจะตายพอถึงระยะสุดท้ายจริงๆคนเราจะไม่รู้สึกถึงการเจ็บปวดเลยขอให้สังเกตว่าบางคนก่อนจะตายหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินตาก็มองไม่เห็นอะไรซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสาทเริ่มจะหมดประสิทธิทภาพแล้ว ซึ่งความเป็นจริงในขณะที่คนเราจะสิ้นใจนั้นประสาททุกทุกส่วนจะหมดประสิทธิภาพคล้ายกับถูกวางยาสลบหรือทำให้นอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอให้ทุกคนหมดความเป็นห่วงได้แต่ในขณะที่ประสาทหมดประสิทธิภาพวิญญาณไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกและไม่ได้รับความทุกเขเวทนาทางกายนั้นในตอนนี้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 ก็ยังมีเวลาพอที่วิญญาณจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะซึ่นไปจริงๆซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นไปนโดยไม่รู้สึกตัวเป็นความรู้สึกของพวังขจิตโดยเฉพาะแต่ถึงกระนั้นก็อยากเข้าใจว่าจะไม่มีการรู้สึกตัวจริงๆที่พูดว่าไม่รู้สึกตัวนั้นหมายถึงไม่มีความรู้สึกทางร่างกาย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 เขาก็จะมีความสุขใจตายไปอย่างเป็นสุขแต่ถ้าวิบากของอกุศลแสดงออกมาเขาก็จะเห็นแต่นิมิตไม่ดีและได้รับความทุกข์ทรมานทางใจตายไปอย่างทุกข์ทรมานอย่าลืมว่าความสุขและความทุกนิมิต ด, ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่หละ จะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ชีวิตที่เกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะเป็นไปในรูปไหนขอให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้ท่านบอกว่าในระยะหัเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะสิ้นใจนี้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 ถ้าหากเราพยายามทำแต่ความดีอยู่เสมอสร้างวิบากที่ดีก็เป็นอันหวังได้ว่าในขณะที่เรานอนหลับหรือในขณะที่เราจะสิ้นใจนั้นต้องฝันดีแน่แต่ถ้าสร้างบาป ก, กรรมเอาไว้มากก็จะได้รับผลตรงกันข้ามกฎของกรรมจะให้ผลอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงตรงที่สุดก็ตรงนี้แหละและด้วยความจริงอันนี้เอง ที่ทางศาสนาคริสต์กล่าวไว้ว่าเมื่อถึงวันสิ้นโลกพระผู้เป็นเจ้าก็จะพิพากษาโทษมนุษย์ทุกคนในอย่างเที่ยงตรงที่สุดซึ่งคําว่าสิ้นโลกในที่นี้คนที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงไปเข้าใจเสียว่าหมายถึงโลกคือแผ่นดินได้ถูกน้ําท่วมโลกหรือถูกไฟเผาโลกอะไรทํานองนี้และชีวิตทุกอย่างก็ได้สูญสิ้นไปจากโลก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือทำให้เกิดข้อขัดขานขึ้นมากมายเพราะคนที่ตายไปก่อนก็จะต้องรอจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายที่ตายจากโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงจะพิภาคษาซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าพระองค์จะทำหน้าที่นี้ได้ทั่วถึงหรือเพราะแต่ละคนก็จะต้องผ่านการพิภาคษาทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหมดในโลก ซึ่งมีจำนวนมากมายเหลือเกินก็จะต้องรอเข้าคิวกันยาวเหยียดจึงทำให้นึกไปอีกแง่หนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่น่าจะปล่อยงานให้คั่งค้างถึงขนาดนั้นหมายเหตุผู้อ่านถ้าเปิดใจศึกษาคำสอนในหลายศาสนาเราจะพบว่า หลายอย่างมีความใกล้เคียงหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าศา ส, สนิกแต่ละศาสนานั้นจะตีความคำสอนได้ถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะคำสอนที่เป็นเชิงอุปมาการยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือเป็นปุคลาทิฏฐานการสมมุติบุคคลขึ้นมาแทนนมามธรรมเพื่อการจับต้องเข้าใจได้ง่ายของคนทั่วไปถ้าเข้าใจกันจริง โลกเราก็จะไม่เกิดความขัดแย้งทางศาสนาเลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคำที่ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันทั้งหมดนั้นก็ยังมีความดีในระดับที่แตกต่างกันเป็นความดีเพื่อหวังสุขบนสวรรค์อันยาวนานหรือความดีเพื่อหมดทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงให้ชัดเพื่อปฏิบัติได้ถูกทางกันต่อไป คนที่เข้าใจพุทธธรรมอย่างแท้จริงนั้นจะรู้ว่าการจะบรรลุธรรมเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้จริงนั้นต้องสะสมบา ร, รมีกันยาวนานมากและในช่วงการสะสมบา ร, รมีทางธรรมในช่วงแรกนั้นการจะเข้าใจนมามธรรมขั้นสูงเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั้นเป็นไปได้ยากจึงจำเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างออกไปหรือ ค, ค่อยๆสะสมบา ร, รมีไปตามลาดับ ศา ส, สนาต่างๆนั้นก็เปรียบเหมือนโรงเรียนให้ฝึกหัดจิตในแต่ละระดับหรือเหมาะสมกับจริตนิสัยและความพร้อมของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของความฝันที่ว่าบังคับไม่ได้นั้นในที่นี้หมายถึงคนทั่วไปซึ่งในปัจจุบันมีการฝึกบังคับความฝันและหลายคนก็สามารถทำได้ข้อดีก็คือ สามารถทำให้จิตสงบได้ง่ายแต่ข้อเสียก็มีมากมายจากการบังคับจิตที่จะทำให้หลงเข้าใจผิดไปว่าจิตนี้เป็นเราบังคับได้จึงไม่มีทางเห็นตามจริงได้เลยว่าจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ทำงานไปตามวิบากและเหตุปัจจัยที่มากระทบเท่านั้นในรายที่บังคับความฝันได้นั้นก็ให้สังเกตนะครับว่าก็ต้องมีพื้นฐานมีคุณธรรม มีจิตใจที่ดีพอสมควรถึงจะสามารถบังคับให้จิตฝันไปในทางที่ดีได้หรือให้เกิดความรู้สึกตัวในความฝันแต่ถ้าคนที่พื้นฐานทางจิตไม่ดีทำบาปกรรมหรือสะสมอกุศลจิตไว้มากวิบากในจิตของเขาเองสุดท้ายก็ย่อมประทุออกมาเป็นภาพแห่งความฝันร้ายหรือแปลเปลี่ยนความฝันดีนั้นให้กลายเป็นฝันร้ายได้ในที่สุด คล้ายกับคนที่เป็นคนมองโลกในแง่ลบเมื่อเจอคนยิ้มให้ทำดีให้ก็จะคิดในแง่ลบและมองเขาในแง่ร้ายเกิดความขุ่นมัวทางจิตแทนที่จะเป็นความสุขความดีใจที่มีคนทำดีให้นะครับ